มาเรียงมาดูแลรักษาพระเนรที่บวชและพำนักอยู่ที่วัดนี้ซช่งใ น, งนช่วงนี้ก็มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนจึงมีสามเณรมาบวช ด, ด้วยกันทั้งหมด64รูป ด, ด้วยกัน ได้บวชมาตั้งแต่วันที่11มีนาคมแล้วก็จะลาศิกขาในวันที่26มีนาคมส่วนวันที่25จะไม่ได้มาชั้นบนศาลานี้พอได้รับกิจนิมนต์จากโรงเรียนผู้รู้ยศสอสอจะนิมนต์สำมเรตที่บวชทั้งหมด ไปฉันที่โรงเรียนดังนั้นวันที่24ซึ่งเป็นวันจันทร์ก็จะเป็นวันสุดท้ายของสำมมเณรที่จะมาฉันที่สาราหลังนี้ก็อยากจะแจ้งให้ทราบไว้เพราะเดีียวญาติโยนจะเตรียมอาหารมาเรียงวันหลังจากวันที่ย4บสี่ไปแล้ว ก็จะไม่มีสัมมาณอยู่วดฉันบนสนารนานี้แล้วแนะวันที่26ก็จะลาสิกขาในตอนเช้ามืดกว่าจะมีสัมมาณมาบวชใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอปีหน้าอันนี้เป็นธรรมเนียมของวัดและของโรงเรียนผู้รู้ยศส ส, สที่อยู่ภายใต้การ อุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชที่จะให้เด็กที่จบชั้นบหนึ่งมาบวชสามเณร15วันเพื่อจะได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐที่จะชี้บอกทางให้ไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง การมาบวนนี้ก็เพื่อมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่หลังจากที่ได้ลาสิกขาไปแล้วก็จะได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นแสงสว่างนาทางพาชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลาย ผู้ที่บวชแล้วลาศิขาวไปจึงมีสถานภาพเป็นบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้ผู้ฉลาดเราเรียกสั้นๆว่าทิศคำว่าทิดก็มาจากบัณฑิตชาวบ้านเห็นทอน้าไม่รู้จักออกเสียงให้เป็นดิดก็เลยเรียกว่าเป็นทิศไปเพราะเห็นเป็นเหมือนกับทอทาหารทอก็เลยเรียก บัณฑิตว่าที่เรียกว่าสั้นๆการที่จะเป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาได้นี้จำเป็นจะต้องมีความรู้อยู่สิทธิ์อยู่เจประการด้วยกันมีความรู้อยู่เจ็ดข้อด้วยกันถ้ามีความรู้อยู่เจ็ดข้อก็จะถือว่าเป็นบัณฑิตได้ความรู้เจ็ดข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือรู้เหตุ ข้อที่สองก็คือรู้ผลข้อที่สามก็คือรู้ตนข้อที่สี่ก็คือรู้บุคคลข้อที่ห้าก็คือรู้สังคมข้อที่หกก็คือรู้จักกาเทศและข้อที่เ็คือรู้ประมาณนี่คือความรู้เ็ข้อด้วยกันถ้าผู้ใดมีความรู้เหล่านี้ และสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตามมาจะไม่มีความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆ ต, ตามมาจะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับพระอาลางตาสาวกทั้งหลายจะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ต่อไปดังนั้น ขอให้พวกเราทุกคนให้ความสนใจต่อการศึกษาความรู้ทั้ง7ข้อนี้ความรู้ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือรู้เหตุและรู้ผลเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเหตุเป็นต้นผลเป็นปลายผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่มีผล ผลที่พวกเราต้องการก็คือความสุขความเจริญความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองเหตุที่เราจะต้องทำก็คือการกระทำของเราการกระทำของเราสามชนิดด้วยกันที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ เรียกว่าการพูดการการคิดการกระทำถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะตามมาผลดีก็คือความสุขความเจริญผลไม่ดีก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลาย เช่นการกระทำอะไรที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียที่เรียกว่าการกระทำไม่ดีก็คือการกระทาบาปเช่นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลการเสพสารยาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดคร้ง นี่คือการกระทำที่ไม่ดีที่จะนำผลเสียหายมาให้แก่ผู้กระทำและแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยถ้าละเว้นการกระทำเหล่านี้ได้ก็จะไม่มีผลเสียหายตามมาจะมีแต่ผลดีตามมาเพราะจะทำแต่สิ่งที่ดีเหตุที่ดี ก็คือจะคิดดีพูดดีทาดีการคิดดีพูดดีทาดีมีอะไรบ้างเช่นคิดด้วยความกตัญญูกตเวทีมีความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นเวลาที่เรามีความสามารถที่จะทดแทนตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นได้ก็ควรที่จะทำ เพราะความกระตันอยู่นี้จะทําให้ผู้ที่กระทํานั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้อื่นและจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆมีปัญหาก็จะมีคนจะช่วยเหลือคอยแก้ไขให้เพราะเป็นคนดีนั่นเองพื้นฐานของคนดีอยู่ที่ความกระตันอยูกระตวเวที ถ้าไม่มีความกตันยูแล้วจะเรียกว่าเป็นคนดีได้อย่างไรนี่คือการคิดดีชนิดแรกก็คือความกตันยูชนิดที่สองก็คือการเสียสละต้องมีความยินดีที่จะเสียสละความสุขประโยชน์ที่มีให้แก่ผู้อื่นมากอย่าหวงเก็บเอาไว้เป็นของเราเพียงคนเดียว ต้องนึกถึงความทุกยากลำบากของผู้อื่นแล้วให้ความช่วยเหลือเขาไปตามกำลังของเราการช่วยเหลือผู้อื่นนี้ไม่มีโทษไม่มีผลเสียหายตามมามีแต่ผลดีทั้งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็จะได้แบ่งเบาความทุกยากลำบากลงไป ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็จะเป็นคนมีความสุขแลาจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความน่ารักน่าชื่นชมยินดีนี่คือตัวอย่างของการสร้างเหตุที่ดีคนที่มีความกตัญญูคนที่มีจาคะมีการเสียสละนี้ จะมักจะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่นเสมอและจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการส น, สนับสนุนจากผู้อ่นจะมีแต่ผลดีตามมานี่คือการรู้เหตุเหตุก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจให้คิดดีพูดดีทำดี ให้ละการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็คือให้ละการกระทำบาปต่างๆไปนี่เองถ้าสามารถทำได้แล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียหายต่าง ๆ, ๆตามมานี่คือการรู้เหตุและรู้ผล ข้อที่สามก็คือการรู้ตนรู้ตนก็คือให้รู้จักฐานะของตนว่าตนอยู่ในฐานะใดเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นลูกน้องหรือเป็นลูกพี่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ผู้ติดตามผู้รับคําสั่งเป็นครูอาจารย์หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาเพราะสถานภาพของเรานี้จะบังคับคือเราจะต้องรู้จักการประพฤติปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมกับสถานภาพของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมกับสถานภาพของเราเราก็จะสร้างความเสียหายให้กับตัวเราได้ หรือสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อิได้ถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องรู้ฐานะของนักเรียนว่าต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนครูบาอาจารย์ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องรู้จักหน้าที่ของครูบาอาจารย์คือต้องให้ความเอ็นดูความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกขามีความปรารถนาดี ลูกศิษย์ลูกหามีการสั่งสอนวิชาความรู้ที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา<ม>ถ้าทำตัวไม่ถูกสถานภาพ<ม>ก็จะเกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาได้อย่างน้อยก็จะทำให้เป็นที่ไม่ปรารถนาของบุคคลทั่วไปจะเป็นที่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจได้ ยังต้องรู้จักรู้จักสถานภาพของตนรู้ว่าตนตอนนี้เป็นอะไรเช่นตอนนี้สมัมมาณีมาบวชเป็นสมัมมาณีก็ต้องรู้จักหน้าที่ของสมัมมาณีไม่ใช่จะมาทำหน้าที่ของเด็กนักเรียนที่ไม่ได้บวชเพราะมีหน้าที่ต่างกันหน้าที่ของสมัมมนณตอนนี้ก็เช่นออกบินทบาวไหว้พระสวดมนต์ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติคำสอนเช่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือหน้าที่ของสา ม, มเณรแต่หลังจากที่ลาศิกขาไปแล้วก็จะเปลี่ยนจากสา ม, มเณรมาเป็นเด็กนักเรียนหรือถ้ากลับไปบ้านก็จะเป็นลูกของพ่อของแม่ ก็ต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่มีความเคารพพ่อแม่มีความเชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่มีความเสียสละคือช่วยเหลือพ่อแม่ในกิจกรรมต่างๆแบ่งเบาภาระของพ่อแม่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการรู้ตนและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสถานภาพของตน ก็จะมีแต่ผลดีปรากฏตามมาข้อที่สี่ก็คือรู้บุคคลคือให้รู้จากรู้ผู้อื่นว่าเขามีฐานะภาพอย่างไรเขาสูงกว่าเราหรือเท่าเราหรือต่ำกว่าเรา <c oughs> เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เขาเป็นบุคคลที่สูงกว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับเราเราก็ต้องรู้จักให้ความเคารพ รู้จักความกตัญญูกะตะเวทีบุคคลที่เสมอเท่าเราก็คือเพื่อนของเราเราก็ให้ความเมตตาต่อกันมีให้ความปรารถนาดีต่อกันให้อภัยกันไม่ถือโทษกอดเคืองเวลาที่มีการผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องให้อภัยกันให้ได้ ต้องช่วยเหลือกันดูแลกันนี่คือรู้จักผู้อื่นผู้ที่อ่อนกว่าเราก็ต้องให้ความเมตตาสงสารเราต้องช่วยเหลือเขาเพราะเขาเล็กกว่าเราอ่อนกว่าเราเราโตกว่าเขาเราอย่าไปเอาความโตของเราไปเบียดเบียนเขาเราต้องเสียสละคนเป็นพี่ต้องเสียสละ มีอะไรต้องให้น้องปากก่อนแล้วค่อยเอาทีหลังนี่คือการรู้จักฐานะของบุคคลผู้อื่นคือรู้จักบุคคล น, นั่นเองถ้าเรารู้แนละ้วเราก็จะได้ปฏิบัติกับบุคคลต่างๆได้อย่างถูกต้องเราก็จะไม่ทําอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมา เมื่อไม่มีความเสียหายเพื่อไม่มีโทษตามมาเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่ด้วยความเจริญก้าวหน้านี่คือรู้การรู้เรื่องบุคคลแล้วเราก็ต้องรู้สังคมคือเราอยู่ในสังคมใดในแต่ละสังคมนั้นเขาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันไปสังคมของนักบวชของพระของส ม, มเณร ก็เป็นแบบหนึ่งสังคมของคารวาสญาติโยก็เป็นแบบหนึ่งสังคมในครอบครัวก็เป็นอย่างหนึ่งสังคมในที่ทำงานก็เป็นอีกอย่า ง, งสังคมในโรงเรียนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในแต่ละสังคมนี้จะมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าอกเข้าใจ เพื่อที่เวลาที่เราเข้าสังคมเหล่านั้นเราจะได้ปฏิบัติตัวเราเองให้ถูกกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคมนั้นถ้าเราไม่รู้และเราปฏิบัติไม่ถูกเราก็จะเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคมนั้นก็อาจจะไม่สามารถอยู่ในสังคมนั้นได้เช่นในสังคมของคารวะญาติโยม ก็ต้องรู้จักกฎหมายต้องรู้จักเาคารพกฎหมายถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปทำผิดกฎหมายก็จะถูกจับออกไปจากสังคมถูกเอาไปขังไว้ในคุกในตารางเพราะว่าไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักกฎของสังคมเช่นกฎหมายมีไว้ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ขโมย ไม่ให้ท่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำแล้วก็จะต้องถูกจัดการจับแยกตัวออกไปจากสังคมนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องรู้จักกฎระเบียบของสังคมนี่คื อ, เ ร, อเรื่องของการรู้สังคม ต่อมาท่านก็ให้สอนให้รู้จากกาลเทศะกาลเทศะก็คือเวลาและสถานที่สถานที่เราไปอยู่นั้นในแต่ละสถานที่เขาก็มีธรรมเนียมการปฏิบัติที่ที่จะต้องทำตามเช่นเวลาเรามาที่วัดนี้ก็มีกาลเทศะมีเวลาที่จะทำอะไรต่างๆ เวลาที่เรามาเราก็ต้องสังเกตดู ว, ว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเขากําลังใส่บาตเราก็ใส่บาตถ้าเขากําลังทําพิธีขอศีลกล่าวคําถวายสังฆทานหรือรับพรเราก็ต้องทําตามไม่ควรจะไปทําอย่างอื่นเวลาที่เขากําลังฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งอยู่ในความสงบ เราก็ควรที่จะทำตามอย่าไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดเสียงดังหรือไปรบกวนไปรบผูรบกวนสมาธิของผู้อื่นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะถ้ารู้จักกาลเทศะต้องรู้จักว่าตอนนี้สถานที่ที่เราไปอยู่นี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่เราก็ควรที่จะทําตามเขา อย่าไปทำอะไรที่ไม่ควรจะทำในเวลานั้นเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้นี่คือเรื่องของการรู้จักกาละเทศและข้อสุดท้ายก็คือให้รู้จักประมาณรู้ประมาณก็คือให้รู้ความพอดีความพอดีคืออะไรก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเช่นการบริโภคปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่หงห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราก็ต้องรู้จักประมาณคือรู้ว่าเราควรจะมีมากน้อยเพียงไรมีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีน้อยเกินไปก็จะทำให้ร่างกาย เดือดร้อนได้ดังนั้นเราต้องศึกษาดูเช่นอาหารเราควรจะบริโภคมากน้อยเพียงไรบริโภคมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายมีน้ำหนักมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายนีเย้เสียเสียลักษณะที่สวยงามไปแล้วก็จะทำให้เกิดมีโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนได้เช่นคนที่มีน้ำหนักมากมีความอ้วนรูปร่างก็จะไม่สวยงามรูปร่างจะเป็นเหมือนตุ่มแล้วก็ร่างกายก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนเช่นโรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นถ้ารับประทานพอประมาณก็จะทําให้ร่างกายนี้มี รูปลักษณะที่น่าดูน่าชมแล้วก็จะไม่มีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนจะทำให้มีชีวิตยืนยาวนานดังนั้นเวลาเรารับประทานอาหารเราอย่ารับประทานเพื่อความตามความชอบตามความอยากของเราเพราะถ้าเรารับประทานก็ตามความชอบตามความอยาก เราก็จะรับประทานมากจนเกินไปรับประทานพอประมาณพอให้อยู่ได้ก็พอนี่คือการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารถ้าเป็นนักบวชก็ต้องลดการบริโภคอาหารลงไปแทนที่จะบริโภคสามมือก็เหลือแค่สองมือหรือมือเดียว คือไม่รับประทานอาหารจังละหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะนักบวชนี้ต้องการที่จะมาฝึกสมาธิมาทำใจให้สงบการที่จะฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้จะต้องไม่มีความง่วงเหงาหงานอนความง่วงเหงาหงานอนนี้ก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปนั่นเอง การาวะาญาติโยนจึงไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิกันได้เพราะเวลาจะนั่งแต่ละครั้งก็จะง่วงจะหลับแต่นักบวชนี้ที่เขานั่งกันได้ก็เพราะว่าเขาลดการบริโภคอาหารลงไปนั่นเองอย่างที่วันนี้ก็จะฉันเพียงมือเดียวฉันแล้วพอตอนบ่ายท้องก็จะว่างจะเบา เวลานั่งสมาธิก็จะไม่มีความรู้สึกว่วนนอนและก็จะไม่มีความเกลียดคร้านแต่ถ้ารับประทานอาหารมื้อเย็นด้วยก็จะไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิได้เพราะเวลารับประทานอิ่แล้วก็อยากจะนอนขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรหรือเวลาจะนั่ง ก็นั่งไม่ได้เพราะนั่งแล้วก็สับประห ง, ง่วง ง, ว ง, ง่วงนอนแต่ถ้ารับประทานเพียงมือเดียวหลังจากบ่ายไปแล้วท้องก็จะว่างจะเบาเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงไม่และจะไม่มีความเกียดคร้ามาคอยอต่ อ, ต, อต่อต้านการนั่งสมาธินี่คือเรื่องของการรู้จักบริโภคอาหาร ตามสถานภาพของเราถ้าเป็นกะลาวาษยังไม่ต้องการนั่งสมาธิก็รับประทานสามมื้อไปสี่มื้อก็ได้บางคนก่อนจะนอนก็มีอีกมื้อหนึ่ง <c oughs> เพื่อจะได้นอนหลับสบายมีความสุขกับการหลับนอนกับการรับประทานแต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะร่างกายนี้มันก็เป็นของชั่วคราวต่อไปร่างกายรับประทานไม่ได้ เพราะมีโรคภัยต่างๆเบียดเบีย น, ยนหมอต้องห้ามให้ลดอาหารให้ลดอะไรต่างๆตอนนั้นก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนร่างกายรับประทานอาหารไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิที่เป็นความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้รับจากการรับประทานอาหารนี่คือเหตุผลที่คนเราทำไมจึงต้องมาฝึกทำใจให้สงบมานั่งสมาธิกันก็เพราะว่าความสุขของสมาธินี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้อาหารไม่ต้องใช้เครื่องดื่มต่างๆมาเป็นเครื่องมือแต่ความสุขทางร่างกาย นี้เราต้องมีอาหารมีเครื่องดื่มมีขนมนมเนยต่างๆไว้คอยดื่มคอยรับประทานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมีร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานได้แต่การหาความสุขทางสมาธิ ทางทำให้ทาใจให้สงบนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายไม่จำเป็นจะต้องใช้อาหารเครื่องดื่มขนมนมเลยต่างๆเป็นเครื่องมือเราสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังสามารถหาความสุขได้แล้วก็จะเป็นความสุขที่จะช่วยบรรเทา ความทุกข์ทางร่างกายได้คนที่นั่งสมาธิได้นี้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเลยเพราะมีความสุขของสมาธิของใจนี้มาช่วยบรรเทาความทุกข์ของทางร่างกายนั่นเองดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรมองข้างของดีของวิเศษที่มีอยู่ในตัวเรา ที่รอให้พวกเรานําออกมาใช้กันขอให้เราพยายามฝึกนั่งสมาธิกันให้ได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขมากกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้และเราจะมีความทุกข์น้อยลงไปด้วยเพราะเราจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายของเราที่รักษาไม่ได้ เพราะยังไงร่างกายของเราในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาสิ่งของต่างๆมาบำรุงบำเลอหาอาหารหาเครื่องดื่มหาขนมน ม, นมเนยต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราสามารถนั่งเฉยๆหลับตาทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็มีความสุขแล้ว เราจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลกับการหาเงินหาทองไม่ต้องมาวิตกกังวลกับเวลาที่เราไม่มีเงินทองเพราะเราจะไม่ต้องอาศัยเงินทองมาเป็นที่พึ่งของเราเรามีสิ่งเรามีพี่พื่งที่ดีกว่าอยู่ภายในใจของเรานั่นก็คือความสงบนั่นเองดังนั้นขอให้เรารู้จักประมาณในการบริโภค อาหารเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสมานั่งสมาธิมาหาความสุขที่ดีกว่ามาหาความสุขที่เป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือเรื่องของการมาวัดไม่ว่าจะมาทำบุญหรือว่ามาบวชอยู่ที่วัดก็เพื่อที่จะมาศึกษาหาความรู้ ที่จะเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงยึงขอให้ท่านพยายามศึกษาความรู้ทั้งเจ็ดประการที่ได้แสดงไว้แล้วนี้คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาไข้ควรและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและมุลคุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้